ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดเรื่องพุทธชัยมงคลคาถาอันเป็นข้อความที่อยู่ในจุลสัจจกะสูตรในมัชิมนิกายข้อความที่พระโบราณอาจารย์นำมาผูกไว้นั้นก็เป็นคาถาเพียงสองสามบรรทัด ว่าพระจอมมุนีทรงทรงชัยชำนาสัจจะนิครนผู้ลำพองพยองยิ่งด้วยพระปัญญาแล้วขออานาจพุทธชัยมงคลกาถาจงมีแก่ท่านทั้งหลายในสมาคมนั้นซึ่งเป็นบทสวดที่จบลงในตอนสุดท้ายเหมือนกันข้อความมันเป็นตอนต้นนั้นมีว่า คราวหนึ่งสัจจะนิครนได้ไปเที่ยวพูดในเมืองภัยาลีว่าใครก็ตามถ้าหากว่าถูกท่านถามปัญหาแล้วจะต้องตัวสั่นเงือตตกจากรักแร้ไม่มีสติสัมปชัญญะพอที่จะตอบได้ยิ่งไปกว่านั้นแม้ท่านจะไปถามปัญหากะเสาสักต้นหนึ่งเสาอย่างสั่น แสดงว่าท่านเองนั่นมีปัญญารอบรู้มากคือใครจะไปโต้วาท่ากับท่านไม่ได้จะต้องพ่ายแพ้จะต้องหวาดกลัวจะต้องเหงื่อตกซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านอะไรเพราะท่านก็เป็นนักบวชใหญ่ที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนพุทธกาลแล้ววันหนึ่งพระสัจิเทระได้ไปเที่ยวบินทบาต ท่านก็ไปพบข้าวก็สอบถามว่าท่านอัสิจิพระสมณะโคดมมักปกติกล่าวสอนสาวกในเรื่องอะไรพระสิจิก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามักสอนเรื่องว่าการห้าเป็นของไม่เที่ยงคือโดยสรุปนะว่ากันห้าเป็นของไม่เที่ยงกันห้าเป็นทุกข์การห้าเป็นอนัตตาแต่ข้อความในประสูน์ท่านก็เรียงไปทุกข้อทีละข้อ สจักรนิครน บ, บอกว่าเอ๊ะทำไมไปสอนอย่างงั้นนี่แสดงว่าพระมหาสมณะโคโดมนั้นเข้าใจผิดรู้ไม่ถูกต้องวันหลังเห็ น, เ ห, นเห็นจะต้องไปช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดของพระสมณะโคโดมใช่สักหน่อยก็พูดวางมากใหญ่โตเอเสร็จแล้วท่านพูดจากที่นั้นแล้วท่านก็ไปที่ประชุมของสภาลิชวีในแคว้นวัชีประกาศแก่กษัตริย์ลิชวี ว่าเราจะไปโตวาทะกับพระสมณะโคดมจะทำให้เหมือนกับคนที่คนปรุงเล่าสมัยนั้นคือเอาเครื่องปรุงเล้าใส่ในเสือลำแพนแล้วก็ขยำหรือทำเหมือนกับพญาช้างลงไปในสะบกรณีแล้วก็จับกบัวถอนขึ้นมาฟาดเล่นหรือเหมือนกับคนที่มีแรงก็จับลูกจับแก้วแก้วสุราที่ที่หูแก้ว แล้วก็เหวี่ยงไปด้วยก็บังแรงจะทํ า, าให้พระธรรมนักโคโด ม, มีเหงื่อแตกเหงืง่อตกก็ถึงความอาการหวาดผวาทีเดียวก็คุยไว้ใหญ่โตทีนี้กษัตริย์ลิจวีนั้นบางท่านในตอนนั้นเป็นตอนต้นพุทธสมัยกษัตริย์ลิจวีบางท่านก็เคยได้ฟังธรรมเทศนาในสํานักของพระพุทธเจ้าท่านก็ทวงขึ้นว่า คนก็นาสจานิรครนหรือจะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าจะทำอะไรพระพุทธเจ้าได้แต่คนบางพวกที่เป็นลูกศิษย์ของสัจจนิครณก็ถือว่าสัจจนิครนเท่านั้นที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของพระสมณโคดมได้เราตกลงอลิจวทีทั้งสองพวกก็ไปคือพวกที่ถือข้างพระพุทธเจ้าก็ไปพวกที่ถือข้างสัจจนิครณก็ไปสัจจนิครณไปเพื่อจะฟาดพระพุทธเจ้า พูะเจ้าทรงรู้ด้วยพระยานก็ไปพักไปรออยู่ที่ป่ามาหาวันซึ่งเป็นบริเวณกว้างพระพระก็ต้องไปมากชาวบ้านก็ไปกันมากมาถึงก็กล่าวปฏิสันฐานกันตามธรรมเนียมเสร็จแล้วท่านก็กล่าวอ้างถึงถ้อยคำของราษชิที่ท่านได้สอบถามมาว่าปัจมนโคโดมมีปกติสอนสาวกอย่างนี้หรือ สอนว่าขัานห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกขันห้าเป็นหน้าตาเลยพระรู้เจ้าบอกว่าเป็นอย่างนั้นเรามีปกติสอนเรื่องเหล่านี้มากสัจจะนิครนมองนี่จะใช้ได้อย่างไงตอนอย่างนี้ไม่ถูกมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้เกิดจากพื้นดินมันก็ต้องอาศัยดินอยู่ไม่งนั้นต้นไม้ก็จะเกิดได้จเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้ วันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องเป็นตนต้องอาศัยตนมีตนเกิดขึ้นมีตนหลอดเลียงอยู่ถ้าไม่มีตนมันก็อยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบโดยตรงรับสั่งถามว่ากษัตริย์ที่ได้รับมรุธาพิเศษคกือพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอำนาจที่จะปกครอง ประชาชนทั้งสิ้นในแผ่นดินของพระองค์ในขณะเดียวกันก็มีอำนาจในการลงโทษในการริดในการริบทรัพย์สมบัติหรือในการฆ่าในการเนรเทศบุคคลเหล่านั้นหรือไม่โดยทรงยกพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลกับพระเจ้ า, รจ า, รจากรุงราชสืบขึ้นมาทศจานิครนบอกว่าเป็นอย่างนั้นคือประชาชาเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรแก่บุคคลเหล่านั้นก็ได้ พระเจ้าเอา้าที่ท่านว่านี่หมายความว่ายังไงไหนท่านบอกว่าเป็นตัวเป็นตนที่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้ทำไมปล่อยคนอื่นเขาบังคับบัญชาทำไมปล่อยคนอื่นเขาฆ่าปล่อยคนอื่นเขาเนรเทศปล่อยคนอื่นเขาริบทรบัพย์สมบัติพระเจ้ า, จานิคนก็นิ่งเกลียดนึกไม่ถึงว่าจะมาไม้นี่แล้วท่านก็บอกไว้ในประสูนย์ว่า พระจารับสั่งว่าเธอต้องตอบจะตอบอยังไงก็ต้องตอบมันสักอย่างแกก็นิ่งไหมว่าจะตอบอยังไงแล้วท้าสะกะเทวราชก็ปรากฏเฉพาะหน้าของสัจจะนิครุนเพราะเป็นสมาคมใหญ่นะเป็นสมาคมใหญ่ที่มีการกระเพือข่าวกันมาก่อนก็นัดหมายประชุมกันมาเพราะงั้นเทวดาทั้งหลายก็เข้ามาประชุมด้วยเขาบอกว่าต้องตอบถ้าไม่ตอบจะฟันหัวให้แตกเป็นเจ็เสียงไง ในที่สุดสัจจะนิครนก็ตอบยืนยันตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระเจ้าก็เปลี่ยนประเด็นคือแทนที่จะเอาประเด็นรวมๆอย่างนั้นก็ไม่เอาเอาประเด็นย่อยมาถามทีนี้บอกเอาแหละเมื่อท่านคิดว่ารูปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นตัวตนของเราเนี่ยท่านจะตั้งความปรารถนาว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดญาณให้เป็นอย่างนั้นเลยได้ไหม เราปรารถนาอย่างไงก็ต้องการอย่างนั้นเราไม่ปรารถนาอย่างไรก็ไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นสัจจะนิครุนก็ตอบว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกคิดดูให้เด่นะคําต้นกับคาหลังมันไม่สมกันคําต้นท่านยืนยันว่าเป็นตัวเป็นตนที่จะควบคุมบังคับปัญชาบงการได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระคาหลังท่านไปปฏิเสธแล้วก็ยกเอาเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาถามโดยลําดับ ในที่สุดก็จะให้แกทบทวนความคิดอยู่เรื่อยสัจจะนิคนก็ต้องไหลไปตามเพราะพ่ายแพ้ตั้งแต่ต้นพอเสร็จแล้วพระเจ้าก็รับสั่งย้อนซึ่งแสดงถึงพระญาณแสดงถึงพระญาณของพระองค์ที่รู้แม้แต่ความคิดของสัจจะนิคนพระองค์ตีแผ่ความคิดของสัจจะนิคนและคำพูดของสัจจนิคนว่าเป็นยังไง ก่อนที่จะมานี่ไปประกาศข่าวกันใหญ่โต ว, ว่าจะคุกคามประชาสนุณโคดมเหมือนพญาช้างลงไปในสะโบกรณีแล้วก็จับพอบัวเวียงขึ้นมาฟาดเล่นหรือเหมือนกับนักกีฬาจับแก้วสุราแล้วก็เวียงขว้างไปในที่ไกลหรือเหมือนกับนักคนที่ปรุงสุราแล้วขยำพืชที่ใช้ในการสุรา เ, เล่นตามสบายเนี่ยเพรนี้เธอเป็นยังไงสัจจีนิคนก็จนแต้ม ก็ตอบไม่ได้ก็นั่งคอตกเกลื่อนกระดากเพราะคุยเขื่องไว้ใหญ่โตก็มีกษัตริย์ลิชวีองค์หนึ่งทนไม่ได้ของมันไส้ก็ขอขอประทานโอกาสพระพุทธเจ้าขอพูดอะไรหน่อยพระเจ้าก็ประทานโอกาสท่านชื่อท um ุมมุขะท่านบอกว่ามันเหมือนกับมีสระอยู่สระหนึ่งแล้วมีปูอยู่ในสระนั้น เด็กได้ลงไปจับปูในสะนั้นขึ้นมาแล้วก็อะไรนะคือหักก็เรียกว่าใสกุญแจก็หนีไปคือปูนี่อ้ากล้ามให้ออกแล้ในสุดเด็กเหล่านั้นก็ลากปูนั้นเวียงไปเวียงมาตามความต้องการาฉันใดก็ดีเวลานี้สจ๊านิโคล น, นเหมือนกับปูถูกพระผู้มีพระภาคเจ้ายกขึ้นมายกวาทะแล้วก็ลากไปลากมา จนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองพระจันนิครนชักตะบะแตกบอกว่าเธอไม่เกี่ยวฉันมาพูดกับพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในศาสนาของพระองค์นั้นมีบุคคลที่เป็นพระยาบุคคลเป็นพระหันท่านเหล่านั้นท่านรู้ท่านเห็นอย่างไรจึงได้เป็นพระยะบุคคลพระพุทธเจ้าก็ย้าที่เดิม บอกว่าท่านเหล่านั้นรู้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ของเราขันห้าไม่เป็นเราขันห้าไม่เป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อท่านรู้ท่านเห็นอย่างนี้แล้ว <c oughs> จิตใจของท่านก็เบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกัหนักพอคลายกัหนัดจิตของท่านก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดฌานรู้ว่าพ้นแล้วแล้วก็รู้ต่อไปว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ก็จบแล้วกิจที่ควรทําก็ทําเสร็จแล้ว กินในลักษณะเดียวกันก็ไม่มีอีกต่อไปสัจานิคนก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอรัตนาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ไปสันในอารามคือท่านเป็นนักบวชนะฮะไปสันในอารามของท่านแต่ทีนี้ท่านก็ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไรก็สั่งพวกลิจวีที่เป็นลูกศิษย์บอกว่าพรุ่งนี้ ฉันนี่บนพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ไปฉันที่อารามพวกเธอต้องการจะนําอาหารมาเพื่อฉันก็ขอให้นําอาหารที่เหมาะควรแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มากระแดกันพระพุทธเจ้าก็เพื่ออนุเคราะห์แก่สัจจะนิครนก็รับมาราตนารุกเงินเช้าก็เสด็จไปที่อารามพร้อมด้วยพระสงฆ์สัจจะนิครนก็น้อมอาหารนั้นที่ที่คือพวกลิจบีถวายท่านแล้วก็ท่านถวายแก่พระพุทธเจ้าอีกต่อนหนึ่ง มันก็ถวายกันสองต่ อ, เ, อเสร็จแล้วในตอนสุดท้ายแกก็กราบทูลว่าขอผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการถวายทานนี้จงถึงแก่ทายกคือผู้บริจาคทั้งหลายพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูกรอนส จ, จานิครณผลแห่งการให้ทานแก่ผู้ที่ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะกลุ่มรุ ม, รมจะอยู่เช่นท่านนั้นจะถึงแก่ทายกทั้งหลาย แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานซึ่งได้ถวายแก่ผู้ปราศจากราคะโทสะมหะนนั้นจะถึงแก่ท่านัจจนิครนก็ปีติโสมนัติแต่ความในประศูนก็จบเพียงเท่านีเา้เรื่องของขจจนิครนนั้นเป็นพวกเดียวกับท่านกับนางจินจะมนาวิกานางจินจามนาวิกานั้นก็เป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนเป็นนักบวชที่มีอยู่ก่อนพุทธกาล าศาสดาใหญ่ก็คือท่านวัธมานหรือมหาวีระเป็นกษัตริย์ชาววัชิคือพวกฤชวีมีประชาชนอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้าอยู่หปออีถ้าเราเปรียบเทียบถึงในด้านของาศาสนาแล้วเราถือว่ า, าศาสนาเชนนี้ดีรองพระพุทธศาสนาลงไปแต่ว่าหนักที่อตอนท่านไปทรมานร่างกายมากท่านที่เคยไปอินเดียจะพบว่านักบวชเชนนั้น จะอยู่ในลักษณะทรมานตัวเองเช่น อ, อดอาหารหรือบางครั้งพอระดูหนาวท่านก็ไปอยู่กลางหนาวแดดร้อนจัดท่านก็ไปนั่งอยู่กลางแดดผ้าผ่อนก็ไม่มีก็ทำให้ลำบากร่างกายกระสรับกระส่ายจิตใจก็ไม่สงบแต่ท่านก็ถือว่าท่านนิรวานคือนิพพานเหมือนกันโดยมีหลักปฏิบัติสมข้อก็อเรียกว่ามรสมประการ ซึ่งดูแล้วก็มีส่วนที่จะทำความส ง, งบให้เกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่ได้เคยบรรยายไว้ในพระมชาละสูตรในสูตรก่อนคือจะเข้าใจสภาวะนิพพานเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนยืนโรตัวเองจะมีชีวิตนิรันด์อยู่ในสถานที่นั้นซึ่งเป็นความเข้าใจผิดความหลงผิดเพราะมองประบวนการแห่งชีวิตไม่ตลอดสาย สภาวะเหล่านั้นเป็นของที่ดำรงอยู่นานเพราะเกิดด้วยบุญกุศลใละตบะบา ร, รมีที่ท่านบำเพ็ญท่านก็เห็นว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นจุดแตกต่างกันระหว่างพุทธกับเชนก็อยู่ที่หลักปฏิบัติของเราเน้นสายกลางของเขาเน้นอัตกิลามาฐานโยคือทําตนให้ได้รับความลําบากเป้าหมายสูงสุดเขานิราวานเรานิพพานที่จริงความหมายเท่ากันแต่นิราวานของเขานั้นเป็นสภาวะที่ เป็นสุขอยู่ชั่วนิรันดอนก็เหมือนกับการอยู่ร่วมกับพระเจ้าการอยู่ร่วมกับพระพรหมการไปรับใช้พระเจ้าของศาสนาอิสลามของศาสนาคริสต์ของศาสน า, า, สนาฮินดูนั่นเองแต่ของท่านสลัดหลุดจากแนวนั้นตัวเองจะไปอยู่สุขเป็นนิรันดอนคล้ายๆกับวีเมืองแก้วไปอยู่เป็นสุขไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงความเชื่อเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะสังเกตว่ามันแปบๆบแบบเข้ามาในเมืองไทยเราตลอดรายการเลย เมืองไทยเรามีนิพพานเป็นเมืองแก้วอยูย่เยอะแยะไปหมดก็มีคนไปเฝ้าพระพุทธ เ, เจ้ากันไปพบหลวงพ่อโปอง่งพ่อปานอะไรแต่แถวนั้นสบายกันไป เ, เราก็ดูไม่ออกนะว่านิพพานลักษณะนั้นจะดีพิเศษยังไงเพราะชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรเลยไปอยู่สบายสบายเพลินเพิ น, พนไม่ทํามาหากินอะไรงานการเดินที่จะช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรก็นึกไม่ออกว่านิพพานลักษณะนั้นดีตรงไหนแต่ก็มีการชอบการติดในนิพพานลักษณะนั้น เนื่องจากศาสนาเชนมันมีส่วนใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาอยู่มากคือมากกว่าศาสนาในไหนนะครับเพราะว่าท่านวัธมานเองหรือท่านมาวีระเองนั้นก็เป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดและก็เป็นขัตยักุมานออกศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทรมานตนบำเพ็ญแบบโยคะซึ่ง ทำร่างกายตัวเองให้รับความลำบากอจิตใจมันก็ต้องซึ ง, งบอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งที่ประนีดมากทีเดียวแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าท่านยังมีราคะทุสาโมหะนะฮะท่านสัจจะ น, นิครนน้ตอน ท, ทุมมุขะแกแกขออุปมาก็สัจจนิครก็ยั่วแล้วแสดงก็โกรธแล้วแล้วตอนตัวอาจารย์นิครนนาจะบุตรเอง แกตามล้างตามผานพระพุทธเจ้าจนถึงปีที่ประชนมายุ7์บสาให้เป็นสิเจดนะฮะพระชนมายุ77เจ็แตกตามล้างตามผานอยู่ตั้งแต่นี้ตั้งแต่สัตรู้ไปไเลยก็ปรากฏว่าแกโกรธแค้นพระพุทธเจ้าที่โกรธแค้นลูกศิษย์อะมาโกรธลามปาล์มยงไงชอบคนน่ะคือโกรธลูกศิษย์ที่กราบใจนับถือพระพุทธเจ้าแล้วแค้นมากกระอักเป็นโลขิตกรอมใจตายเลยแล้แสดงว่าแกก็ไปไม่ค่อยไหวเหมือนกัน มีราคะมีโทสะมีโมหะมันส ง, งบฮะแต่ฟูขึ้นพอกระแทกแรงๆออก็ฟูขึ้นแล้วดูพฤติกรรมต่างๆที่ท่านตามล้างตามถามพระพุทธเจ้าก็ไม่น่าจะทําท่านก็ ท, ทํากท็ท่านเรื่อยๆแสดงว่ากิเลสยังไม่ส ง, งบแต่ว่าคุณธรรมระดับสมาธิระดับฌานนั้นต้องมีเพราะว่าฌานมันเสื่อมได้โดนกระแทกแรงๆมันเสื่อมได้แล้วกิเลสฟูขึ้นได้บางทีฟูขึ้นมากกว่าเดิมซะอีก รุนแรงมากกว่าเดิมซะอีกเพราะเพียงแต่สงบกิเลสว้เท่านั้นเองกิเลสมันก็อัดอยู่ภายในใจพอได้เหตุปัจจัยก็ภายนอกระเบิดเปรียงปรางออกความบางทีก็ไปกันใหญ่โตซึ่งก็มีตัวอย่างบุคคลอยู่เป็นนั้นมากอาสจาัจจะนิครนนั้นท่านท่านเป็นคนออกจากพิกลพิกลนะฮะเป็นคนแปลกๆไงชอบคนคือท่านเข้าใจว่าความรู้เป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็มีคนเดียวในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏหลักฐาน คือเอาพืชเหล็กมารัดท้องไว้ก็ถามว่าทําไมต้องรัดท้องแกบอกแกในะความรู้มากเลยเกิดประเดี๋ยวความรู้มันจะดันท้องแตกเลยก็ต้องเอาพืชเหล็กมารัดไว้ก็ทรมานตัวเองนะ่าเอ็นดูเหมือนกันก็ทําให้ท่านท่านท่า น, านพยองลําพองเพราะความรู้ก็เรียกว่าเกิดมานะเพราะความรู้เป็นเหตุจะคุยเขื่องไว้ก็อย่างที่คุยนะฮะบอกขนาดจะพูดกับเสาเสายัางสันงนะ่นเลย ถามปัญหาเสาในเสาอย่างสันไม่เฉล่นธรรมดาคือพวกพวกศาสนาเชนนี่แปลกอยู่อย่างนะฮะเวลาเขาอุปมาไม่ใช่เชนอนะพวกพวกพวกนักบวชนอกพุทธการเนี่ยเวลาเขาอุปมาแล้วก็แปลกอย่างพวกประกุฏากจายณนะอาทิตย์กิจกรมพลพวกเนี้ยปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแกยกอุปมาโนนะไปต้นไม้นะเนี่ยแกบอกว่าบุญบาปมันไม่มีหรอกถ้ามีก็แสดงว่าฝนตรกรดต้นไม้ก็ฝนต้องในบุญ ฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องได้บาปมันไปโน่นเข้าวป่าหายไปเลยแล้วพูดเรื่องสิ่งมีชีวิตแกไปพูดเรื่องจริงไม่มีชีวิตไม่มีเจตนาเพราะงั้นพอแกคุยเครืองในลักษณะนี้ในถ้ำกลางคนของแกแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันก็สูตรของคนคือชื่นชมอาจารย์ตัวเองจะหลงอาจารย์ตัวเองแล้วก็ใจว่าอาจารย์ตัวเองนั้นเยี่ยมบรารยุทธ์สัมโหนปัจจุบันคือไม่มีใครเทียบเทียมได้จริงๆ ลักษณะเหล่านี้มันก็จะทอนให้เราเขีนอย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบันเราจะพบว่าชาวผู้เราเป็นจำนวนไม่น้อยที่ลืมลืมพระพุทธเจ้าไปประเพร์เพลินกับอาจารย์ก็ตัวเองก็ยกเชิดชูอาจารย์ก็ตัวเองอะไรพูดก็อาจารย์ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอย่างนี้หลวงพ่อว่าอย่างงั้นก็อ้างหลวงพ่อมาตลอดคือดแทนที่จะพูดจะพูดเราพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็ลืมไปจนบางทีก็ ไปปรุงแต่งรูปของอาจารย์ตัวเองให้ลอกเลียนพระพุทธเจ้าแต่ว่าหน้าของอาจารย์ก็ใส่มุดประเกษาขึ้นมานิดหน่อยก็แต่งแต่งให้ดูคล้ายๆพระพุทธเจ้าแต่ว่าหน้าเป็นอาจารย์ของตัวเป็นตนนี้แสดงเป็นลักษณะการหลงหลงอาจารย์ตัวเองเพราะงั้นไอ้พวกฤทธิ์จวีทั้งหลายพอท่านสัจจนิครนพูดอย่างนั้นก็ชื่นชมชื่นชมเฉพาะในกรณีที่เป็นลูกศิษย์ของสัจจะนิครนแต่ว่า เมื่อท่านไปสอบถามพระอาสิชิพระอาสิชิท่านหลายนึกออกนะว่าเป็นปัญญวคีองค์หนึ่งที่นําพระสารีบุตรเข้าสู่พระพุทธศาสนาท่านจะพูดอะไรแต่ละคําในหน้าดูเท่านั้นเนะององค์นี้ลึกซึ้งทั้งนั้นเลยอย่าพูดน้อยพระอาสิชิเนี่ยพบคําสอนอะไรต่างๆท่านพูดน้อยไม่กี่คําำแต่ว่าแต่ละคําลึกซึ้งอย่างที่ท่านแสดงแก่ อุปติสสะปริภาชกก็กลายเป็นคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาไปเลยสบรรทัดเท่านั้นเองเยธมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุุงตถาเกโตเตสัจะโยนิโรโทจะเอวังบดีมาสมโนาตามทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตราคตเจ้าสเสถีแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้พอมาถึงนี่ครนสอบถามท่านก็เอาแนวอนัตตลกนาสูตรที่ท่านฟังและบรรลุอรหัสนั่นเองมาตอบ เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเวลาพระพุทธเจ้าส่งแสดงแสดงพอถึงจุดหนึ่งจะขึ้นมีปาฏนาพอขึ้นมีปาสนาก็ต้องพูดถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกทีคนนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พูดมากแล้วอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั้นแม้จะกระจายออกไปกว้างขวางใหญ่โตอย่างไรก็ตามสรุปแล้วก็คือการห้าสรุปอีกทีหนึงก็คือรูปนามหรือนา ม, มารูปก็เท่านั้นเองส่วนเป็นการจําแนกเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นการสมมุติบัญญัติก็ว่ากระจายออกไปอย่างนั้น ดังนั้นท่านพอท่านแสดงเรื่องเหล่านี้มันก็ตรงตรงกันข้ามกับความเชื่อถือของาศาสนาเชตเพราะศาสนาเชต น, นั้นถือว่ามันก็แนวอัตมันนะฮะแนวอัตมันที่ยังมีอิทธิพลอยู่แต่ว่าไม่ได้ถือว่าอัตมันนั้นเกิดแยกมาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือแยกมาจากปรมาตมันแต่ก็ถือว่าอัตมันตัวเนี้ยเมื่อสำรอก กามวิสัยคือการตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกามได้แล้วอัตมันก็จะเข้ารวมจะเข้ารวมอยู่กับปรมารตามันเป็นการเข้ารวมอยู่ชัว่วนิรันดรา น, นั้นก็คือความเชื่อดั้งเดิมแต่พอมาถึงสมัยของท่านนิครตนัต บ, บุตรเองกไ็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าตัวเนี้ยพอพอพอสลัดสลัดเขาเรียกว่าเครื่องร้อยรัตนิยันทะนิยันทะหรือ น, น, น, น, นิครุนเนี่ย นี่ <th> ันทะก็คือเครื่องร้อยรัศน์อ่ากันทะก็คือเครื่องลอยรัศนที่ก็ตรงกับของบาลีเรานะฮกันทะก็กาบังกันทะภาวะกันทะทิฐิกันทะอวิชากันทะกันทะก็แปลว่าเครื่องร้อยรัศผูกมัดจิตใจคนจิตใจสัตว์ให้หลงอยู่ในสังสารวัฏเอ่อนี่กันทะก็คือปราศจากเครื่องลอยรัศน แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆท่านแทนที่จะให้จิตใจมันไม่ปราศจากเครื่องร้อยรัดเพราะของเรามันเป็นนามธรรมทั้งหมดนะฮะแอกยันถะเนี่ยคือกามคือภพคือทิฏฐิคือวิชามันเป็นนามธรรมทั้งหมดเป็นกลุ่มของกิเลสแต่ของท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือท่านนิคันถะไปตั้งแต่ตอนต้นเลยไม่มีเครื่องผูกพันไม่มีเครื่องร้อยรัดแต่ประการใดเออก็เรียกว่าที่คำผพรนคือนุ่งชิดใหญ่โตนะไปอินเดียบางบาง บางเดือนรู้สึกกัแถวเดือนตุลาเดือนนี้มันมีวันสำคัญขเขาอยู่วันหนึ่งอาจารย์เดินเป็นแถวเลยลูกศิษย์แต่งชุดสูตรอย่างดีเดินกระบวนตามหลังไปอาจารย์ผ้าผ่อนก็ไม่มีแ้วไปก็เป็นเป็นร้อยร้ยพันพันนะฮะวันประชุมใหญ่ก็วันอะไรลืมชื่อไปนะแต่มีการประชุมใหญ่รถราต้องจัดหลีกให้หมดเลยจราจรเนี่ยพะท่านเดินกันเต็มถนนเลยใหญ่มาก ก็สืบต่อกันมานานแสดงว่ามีความดีอยู่แยะมือนกันในส่วนความดีที่จะทำให้จิตใจสงบสะอาดนั้นมีอยู่แยะทีนี้ท่านก็เริ่มไม่มีเครื่องร้อยรัดมาตั้งแต่ต้นคือคือนุ่งทิศดังที่กล่าวแล้วและการปฏิบัตินี้ก็มีขำๆพระพุทธเจ้าทรงทรงตำหนิทรงตาหนิในเรื่องเรื่องหนึ่งที่ท่านทำอ่ะก็ ท่านเดินไปไหนในท่านท่านท่านจะเอาผ้าปิดปากปิดปากกับปิดจมูกแล้วในขณะเดียวกันก็ถือไม้กวาดกวาดไว้ข้างหน้าโดยอธิบายว่าที่ท่านต้องทําเช่นนั้นเพราะว่ากลัวว่าสัตว์มีปรานจะเข้าไปและจะตายคือเข้าไปทางปากเข้าไปทางจมูกและจะตายเราระมัดระวังไม่ให้สิ่งมีชีวิตเข้าไปสิ่งนั้นจะตายแต่ในขณะเดียวกันถ้านก็ลืมไปว่าท่านเดินกวาดไปอะ ท่านถือว่าสปปรรพสิ่งมันมีชีวิตหมดนะฮะก้อนกรวดก้อนหินหิน อ, อะไรอะไรเนี่ยมีมีชีวิตทั้งหมดไปถูกอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นบาปทั้งหมดเลยท่านก็เลยต้องเราไม่กวาดกวาดท่านลืมนึกไปว่าไม้กวาดมันกินที่กว่าเท้าที่เราเหยียบตังไหนไหนอะ่ะคือกวาดดะไปข้างหน้าก่อนถ้าสมมุติว่ามีชีวิตจริงมันตายเรียบไปนานแล้วตายตั้งแต่ก่อนเรากวาดขยะนี้ก็คือความคิดที่ขำๆแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือท่านจะไม่ฉันน้ําเย็นนะฮะพวกนี้จะไม่ดื่มน้ําเย็นเล เราถือว่าน้ํานั้นมีปลาลมีชีวิตจะต้องต้มให้ร้อนเสียก่อนโดยท่านก็ลืมนึกไปว่าท่านก็ต้มเองนะฮะท่านต้มก็ท่านเองแนะท่านฉันเองถ้าปลาลมันมีในนั้นก็ตายเรียบร้อยตั้งแต่ต้ตมแล้วอันนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเป็นเป็นคนที่ละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายแต่กลับละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายเอ่อเป็นการปฏิบัติของของพวกเชนบางประเด็นนะฮะที่ทงท้วงติงเฉพาะบางประเด็น ก็ทำอะไรทำอะไรขำๆทีนี้อตัวสัจจนิครนเนี่ยเมื่อแกไปแสดงวาทะในลักษณะนั้นเราจะพบว่าแกก็สำคัญมั่นหมายว่าตัวเองเก่งมากคือใหญ่โตโมร า, านดูคุยดูพูดดูจานเนี่ยวางมาศก็ใหญ่พูดเพลินๆไปในถ้ำกลางเอกษัตริย์ดิจวีทั้งหลายด้วยความคึกค น, นองด้วยความเมาในวิชาความรู้ ทำให้ท่านพูดไปโดยนัยยะที่กล่าวนะฮะเหมือนกับยาโคจิสาร ล, ลงไปสู่สะบุกรณีจับกอบัวด้วยงวงแล้วก็ม้วนกลับเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นฟาดหมายมันซึ้งมากเลยภาพภาพแสดงว่าใหญ่ตัวท่านเก่งทั้งนั้นเลยเจนก็พวกพวกลิชวีที่ฝังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับคื้นฐานซึ่งในกรณีเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะมีคนเป็นสองฝ่ายอยู่ด้วยคนที่เคยเห็นพุทธานุภาพเขาต้องมาดู ต้องมาดูพุทธานุภาพที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วคนที่ถือข้างนิครณก็ต้องมาดูเพื่อดูนิครณย่ายีพระพุทธเจ้าจนเสียหน้าไปในขณะนั้นเหมือนกัน ก, ก็สะใจดีก็แสดงว่ามาด้วยอารมณ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะฝ่ายหนึ่งก็ถือพระพุทธเจ้าต้องการจะดูพุทธลีลาฝ่ายหนึ่งก็ถือข้างนิครณต้องการจะดูพระพุทธเจ้าถูกนิครณตอกเอาจนไม่สามารถที่จะตอบได้เลยตอแล้ว แล้วแต่จะคิดจะปรุงเอาครับทีนี้การตอบปัญหานั้นพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีของพระองค์ไม่เหมือนกันไม่มีข้อยุติเลยว่าจะทรงใช้แนวไหนแต่ตามหลกักทั่วไปสรุปแล้วว่าทรงมีแนวการตอบปัญหาอยู่สี่แนวแนวหนึ่งก็เรียกว่าเอกังสะพยากรคือจะพยากรเป็นแนวเดียวเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธไปแนวเดียวเลย เช่นว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนที่ทําความชั่วแล้วจะได้รับความสุขความเจริญเพราะการกระทําชั่วของเขานี่ยืนยันเลยปฏิเสธเหตุได้ปฏิเสธผลหรือว่เป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งกระทําความดีแล้วจะรับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทําดีของเขาเป็นการยืนยันหรือว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสององค์จะเกิดร่วมในจักรวาลเดียวกันในขณะเดียวกัน แต่ก็หมายความว่าในจั ก, กรวาลอื่นก็อาจจะมีได้นี่เรียกว่าเป็นการพูดยืนยันก็นี่แหละทํานองอะไรเนี่ยทำดีได้ดีทําชั่วดีชั่วบุคคลวานพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงในดินแล้วย่อมได้ผลแห่งพืชชนิดนั้นผู้ทํากรรมดีจมรับผลดีผู้ทํากรรมชั่วรับผลชั่วนี้ลงตัวยุติเลยแต่ว่าเป็นเรื่องความสลับซับซ้อนของกรรมซึ่งเป็นรายละเอียดอย่างที่เคยกล่าวมาในตอนที่ว่าโดยประสูนย์เรื่องกรรมหลายสูตรนั้นก็เป็นรายละเอียด แต่ว่าแนวนี้จะส่งยืนจันเลยเช่นส่งยืนยันผลฐานผลศีลที่บุคคลกระทาเอาไว้เนี่ยว่าจะทําให้บุคคลเหล่านั้นไม่หลงตายตายแล้วไปสู่สุกติเป็นต้นเนถ้าเขาไปสู่สุกติเขาก็ไปสู่สุกติด้วยความดีแต่เพราะบุคคลเราบางทีมันทํากรรมสลับซับซ้อนทําความดีมาแยะก่อนจะตายเกิดจิตใจเศร้าหมองเอาไปเกิดทุกติก็เกิดทุกติก็เพราะกรรมชั่วไม่ใช่กรรมดี คำดีก็ค่อยว่ากันวันหลังอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธในแนวที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยทุกครั้งจะเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาทั้งหลายเช่นว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้บางก็เท่านั้นเนี่ยทุกเราไปละอะไรไม่ได้เลยจะไปละทุกไปทำอะไรทุกไม่ได้แล้วก็สมุทยัยสมุทัยก็เป็นสิ่งที่ควรละ ก็จะทำอย่างอื่นมาไม่ได้สมุทัยเนี่ยจะไปเพิ่มพูนสมุทัยไปเดี๋ยวก็ยุ่งก็มีแต่ละได้อย่างเดียวทําได้อย่างเดียวแต่นั้นละบรรเทาสํารวมระวังก็แล้วแต่กําลังสติปัญญาของบุคคลที่จะทําได้แต่ว่าไปเพิ่มพูนไม่ได้เพราะถ้าเพิ่มพูนแล้วความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจนี่เป็นการยืนยันแนวเดียวแนวหนึ่งก็คือทรงจําแนกทรงจําแนกแบ่งแยก คือให้รายละเอียดมันมั น, ม, นมันพูดลงตัวไม่ได้มันอยู่ที่เงื่อนไขหรืออยู่ที่เหตุปัจจัยเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าใครมาถามว่าคนเราตายแล้วเกิดไหมยังไงคือตอบยืนยันไม่ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วไม่เกิดมันต้องย้อนกลับไปตั้งต้นกันใหม่ว่าใครตายคนตายนั้นมีองค์ประกอบของการเกิดหรือไม่ถ้ามีองค์ประกอบของการเกิดมีกิเลสมีกรรม ยังมีกิเลสยังมีกรรมอยู่ก็สร้างปฏิสนธิวิญญาณการเวียนว่ายในสังสารวัตก็มีแล้วก็เงื่อนไขในรายละเอียดนั้นจะตายไปเกิดในที่ไหนก็ว่ากันเป็นในรายไปมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมแต่ว่าคนบางคนที่เหตุปัจจัยมันให้ตรงเกิดมันไม่มีก็จะพูดว่าเกิดไม่ได้เพราะสิ้นเหตุสิ้นเชื้อสำนวนถ้าว่าพอแยกจริงๆท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านไม่พูดว่าไม่เกิดนะแต่ท่านพูดว่าดับเพราะสิ้นเชื้อเหมือนกับ ่ไฟที่ดับเนี่ยเราราราหาที่ไปไม่ได้ว่าดับแล้วมันหายไปไหนแต่มีการดับแล้วก็มีสิ่งที่ดับดับแล้วไปไหนไม่รู้คือไม่ต้องพูดกันจึงไม่มีคติไม่มีอ่าไม่มีคติคือที่ไปไม่มีทิฏฐิคือที่ตั้งอยู่ไม่มีสภาวะเหล่านั้นอยู่นี่ก็เป็นการจําแนกแบ่งแยกหรือบางทีปัญหามันมาคลุมคลุมมาอย่างนี้ครุมคลุมซึ่งซึ่งเราต้องดูทางให้ดีว่าปัญหาลักษณะอะไร ฉันก็ถามมาบุคคลเห็นรูปแล้วเกิดอะไรเวทนาเนี่ยต้องต้องต้องแยกนะฮะไปยืนยันไม่ได้เลยไม่รู้เวทนาอะไรเพราะว่าก็ต้องตั้งปัญหาใหม่ว่าไอ้รูปนั้นเป็นรูปอะไรที่จริงรูปรูปอะไรนั้นไม่ใช่ประเด็นนะมันประเด็นอยู่ที่เรากำหนดหมายรูปยังไงคือรูปอาจจะดีแต่เรากำหนดว่าไม่ดีเมื่เกิดทุกขเวทนาเรากาหนดรูปไม่ดีแต่เรากาหนดว่าดีมันเกิดสุขเวทนา ต้องจำแนกกันไปเป็นกรณีกรณีไปผีผาไม่ได้แต่ผีผามันก็พลาดในการตอบของพระพุทธเจ้าทรงกระชับปัญหาเราจะเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะแม้แต่รับสั่งน้อยๆแต่ว่าจะกระชับความไวในเชิงการปฏิบัติแล้วจะเป็นไปอย่างที่ทรงแสดงเหตุอเอาไว้นี่ก็ในในลักษณะที่เรียกว่าจำแนกคือแบ่งแยก แบ่งแยกชี้ประเด็นมาตั้งประเด็นกันใหม่ไม่ใช่ว่าตอบคลุมไปเลยเพราะถ้าคลุมไปเลยมันก็มีปัญหาที่จะติดจะติดสิ่งบางสิ่งหรือคนบางคนดู่ยกตัวอย่างในกรณีของการเช่นว่าทรงแสดงใจรักนะฮะท่านตั้งหลายจะสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงใจรักจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเรียงมาอย่างนี้ทีนี้สมมุติเราเอาอนัตตาไว้ข้างบนเนี่ยอนัตตาอนาาิจจังทุกขงังถ้าอย่างนี้ต้องบีบต้องบีบตัวตัวที่เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ จะเจาะจงจะเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นขันห้าขาน้านี้เป็นอนัตตานะแล้วก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังแต่ถ้าเรียงในแง่ของสามัญจะรักเรียงไม่ได้เพราะอะไรเพราะอนัตตาแก่ใหญ่กว่าแก่ใหญ่กว่าเพืนมันเหมือนกับวงกลมสองวงวงวงกลมใหญ่นั้นคือสัพสิ่งสัเบธมานัตตาหมายถึงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมานันเป็นนัตตาแต่ว่าอนัตตานั้นขอบข่ายแก่กินถึงนิพพานนิพพานเองก็เป็นานัตตาด้วย แต่นิจจังนี้ไม่มีในนิพพาน arc. ทุกขังไม่มีในนิพพานนิพพานมีแต่สุขขงังมีแต่นิจจังแต่ก็เป็นอนัตตาเป็นสภาพที่ว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนตระหนักประทานเน่ยเพราะงั้งนพอเรียงแบบใจรักจะเรียงนิจจังทุกขังอนัตตาจะเรียงไว้ข้างล่างเพราะข้างล่างมันใหญ่มันฐานใหญ่กว่าแต่ถ้าเรียงไว้ข้างบนกลับอนัตตาไว้ไว้บนต้องบีบตัวนั้นไว้ตัวที่เป็นอนัตตาไว้ไม่ให้กระจายออกไปถึงเรื่องอื่นจะพูดเฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้นจะพูดเฉพาะจอดจงในส่วนที่เป็นสังขารเท่านั้น นั่นคือความกระชับรัด ก, กุ่มของพระธรรมาเทศนาที่เราสวดนะว่าอาธิกาญนานางมาเชกนยานางปริโยสาในกนญานางานะนานา ง, งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอาธธาัฏฐพยัญชนะเรียบร้อยของพระองค์เรียบร้อยว่าจะส่งแสดงมากหรือน้อยก็ตามแต่ละประโยคแต่ละวักแต่ละตอนนั้นเป็นสุภาษิตคือพูดดีแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เราไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรให้พระองค์ก็ได้ถ้าถ้อยคํานั้นได้รับการประพฤติปฏิบัติบตจบ จบสิ้นกระบวนของเขานะฮะแต่ว่าท่านทั้งหลายที่เคยอ่านพุทธศาสนาพราสิทธินัมตรีนั่นตรีนี้เป็นการตัดมาเพื่อให้ได้เฉพาะภาษิทิ์เดียวถ้าเราจะแต่งจริงๆเราดูเฉพาะตรงนั้นไม่ได้เราต้องกลับไปดูที่ต้นที่มาคือท่านต้องการให้นักธรรมเั่นตรีพูดโดยในยะหนึ่งแต่ในทางปฏิบัติแล้วผลจะไม่สมบูรณ์เช่นสมุทรศัตจังเวมาตาวาจาเนี่ยท่านก็มวางไว้เพียงข้อเดียว ซึ่ ง, งในแง่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องกลับไปดูต้นต่อของไอสัตว์จังเวออมตะวาจาเนี่ยความเต็มก็ว่าอย่างไงต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งจึงจะพูดจึงจะอธิบายได้ส่วนในพุทธาสารนัสภาสิทธเล่มสองเล่มสาเนี่ยคือจะตัดตอนมาที่สมบูรณ์หน่อยเพราะอาจจะมามีถึงสาบรรทัดบางทีก็ถึงสบรรทัดทรงแสดงข้อความไว้อยังไงเราจะเอามาหมดทั้งหมดจึงก็หมายความยืนยันเหตุแล้วก็ยืนยันผลได้ อีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปฏิปุชฉาเป็นปฏิปุชฉานั้นอะไรล่ะสำนวนเราอัดยายซื้อขนมยายนะฮะสนวนมาลีว่าเอาเอาเอาผลไม้ปาผลไม้เอาผลไม้ปาผลไ ม, ลไ ม, ลไม้หมายความว่ า, าคนเนี้ยเรจะไม่ตอบอะไรเลยแต่เราจะถามถามถามถามถามถา ม, ถามเรื่อยถามเสร็จแล้วเราก็สรุปของเขาห น, นเองกลายเป็นคำตอบ ส่วนมากแล้วจะใช้กับคนที่คึกคนองในลักษณะนี้กําแข็งหารท้าทายเบ่งใหญ่โตมาอย่างสัจจะนิทนอย่างนี้พระพุทธเจ้าจไม่ตอบจะไม่ใช้วิธีตอบแต่จะใช้วิธีถามเพราะอะไรเพราะในพื้นฐานความรู้ของแกนะแกมีนะฮะแต่แกไม่ได้คิดเพราะแกคิดตามรูปแบบที่ครูบาอาจารย์สอนเอาไว้ไม่ได้คิดอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่ง เรายังลองดูว่าสัจจะนิครนพอพอแกตั้งประเด็นขึ้นมาว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันต้องอีกอาศัยมันต้องควบคุมบังคับพัญชาได้เหมือนกับต้นไม้อาศัยบนแผ่นดินมันต้องมีดินมีอาศัยดินจึงอยู่ได้เราจึงสามารถควบคุมตัวอัตราตัวตนได้พอพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างยกตัวอย่างพอตัวอย่างนี้มันก็ขัดแย้งกับความเชื่อถือของแกแล้แกบอกว่าที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าพระราชาที่มีได้ได้รับอภิเษก ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วมีอำนาจที่จะทำอะไรกับใครก็ได้เนี่ยใช่หรือเปล่าแกบอกก็ใช่ก็จริงนะฮะเรื่องจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอ้าวแล้วก็ไหนบอกว่าเราสามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาเราได้เราทำไมมาปล่อยเพื่อนไปทำอย่างนั้นไงแกก็จบพระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ต้องถึงซักขนาดนั้นคนระดับสัจจะนี่คนเข้าใจแล้วว่าพลาดท่าแล้วต่อไปอย่างนั้นพลาดท่าแล้วแกเลยไม่กล้าตอบรู้ว่าพลาดท่าตั้งแต่ต้นพระพุทธเจ้าใช้วิธีแนวนี้ ใช้วิธีแนวที่จะถามแล้วให้เขาตอบไปเรื่อยๆเพอตอบเสร็จแล้วมันจะออกมาออกมาเป็นคําตอบที่ถูกต้องบุคคลนั้นตอบนะฮะแล้วพระองค์จะค่อยคอยสรุปสรุปชี้ประเด็นไปเรื่อยๆ ๆ, ๆก็ออกมาเป็นคําตอบเรียบร้อยโดยไม่ต้องตอบอะไรเลยเพราะข้อมูลต่างๆความรู้ในด้านต่างๆบุคคลนั้นเขามีอยู่แล้วความคิดแต่นั้นเองเขาไม่เริ่มคิดต่อไปไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเป็นการมองปัญหาในด้านเดียวแล้วก็สรุป ยึดติดในรูปของความคิดลักษณะนั้นอยู่เรื่อยไปแนวการตอบปัญหาประเภทปฏิปุจษาดีก็มาใช้มาเรื่อยนะฮะใช้มาเรื่อยจนมาในยุคหลังเช่นมิลินปัญหาท่านเห็นว่ามิลินปัญหาใช้แนวหมดทั้ง4ี่แนวเลยแต่ว่าแนวเริ่มต้นในลักษณะท้าทายนั้นที่ตอนพระยามิลินกับพระนาคเสศษษมาพบกันคราวแรกก็เล่นปฏิปุษากันฮนะ ใช้แนวปฏิบูชาคือถามย้อนถามย้อนถามให้ตอบซึ่งเป็นวิธีทดสอบความคิดของคนอย่างหนึ่งหรือว่าทดสอบความเข้าใจของคนอย่างหนึ่งแม้แต่ตอนพระมหินท่านไปเผยแผ่ศาสนาที่ลังกาเผยแผ่ศาสนาที่ลงังกาท่านก็ใช้วิธีปฏิบูชาถามทดสอบความเข้าใจ ทดสอบความเข้าใจของพระเจ้าเทวานารมย์ยาติสระเพราะว่าคนลังกากับคนอารยันเนี่ยมันอารยันไอ้พวกลังกาเป็นมิละคะส่วนมากมีความเจริญต่ํากว่าอารยันในด้านวัฒนธรรมาศาสนาอะไรต่อไรเนี่ยเพราะอั้นท่านก็ทดสอบดูว่ามีสติปัญญาพอที่จะเรียนได้ไหมไม่ดีถามท่านเก่งนะฮะท่านถามต้นไม้ท่านถามถามคนแล้วก็ถามต้นไม้ต่อไปก็ถามต้นมะม่วงต้นนั้นถามว่า น, นี่ต้นอะไร พระเจ้าเทวานามปยาดิตก็บอกว่าต้นมะม่วงต้นมะม่วงอื่นนอกจากต้นมะม่วงนี้มีอีกไหมท่านก็บอกว่ามีแล้วต้นไม้อื่นนอกจากต้นมะม่วงนี้มีอีกไหมท่านก็บอกว่ามีอีกเป็นนันมากแล้วท่านก็ตั้งคําถามมีคําถามนะว่านอกจากต้นมะม่วงอื่นและต้นไม้ทั้งหลายเหล่าอื่นแล้วยังมีต้นไม้อีกไหมโ ย, ยมลองคิดดูตอบยังไงพระเจ้าเทวนามปยา <gs. S 1> ดิตตอบว่ามีคือต้นมะม่วงต้นนี้ พราต้นมะม่วงตัว น, นี้พูดคราวแรกแล้วไม่พูดถึงอีกเลย น, นี่คือเขาเรียกว่าหลักทางตรรกศาสตร์เป็นการ เ, เล่นสัมนวนโวหารเพื่อทดสอบความเข้าใจที น, นี้คนสามารถตอบปัญหาขนาดนี้ปัญหามันเชิงไม่จะเชิงเฉาเท่าไหร่นะแต่ก็เชิงชาวแต่มันก็มีหลักทางตรรกศาสตร์ก็พอที่จะสั่งสอนธรรมะได้ท่านก็เริ่มเทศน์สอนแล้วก็ได้เรื่องในราวปฏิสถานศาสนาขึ้นในลังกาได้ นี้เป็นแนวหนึ่งเรียกว่าแนวปฏิบูชาถามซึ่งส่วนมากแล้วจะจ ะ, จะพูดกับระดับนักปราชนะคนสามัญจะไม่ถามแล้วถามก็ถามถามมันก็มีวิธีถามหลายวิธีนะฮะบางคนก็ถามเพื่อจะให้คนฟังเสียหน้าบางคนถามเพื่อต้องการจะเทียบเคียงกับความเข้าใจของตัวว่าความเข้าใจของตัวนั้นเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วท่านผู้นี้เข้าใจอย่างไง บางคนถามเพื่อต้องการที่จะให้เขาแก้ข้อข้องใจให้อ่อนน้อมดีนะฮะประเภทนี้อ่อนน้อมดีข้าไปถามเพื่อเรียนรู้ไม่ได้ น, นึกจะดูถูกดูหมิ่นใครเลยถามก็ถามไปบางคนถามเพื่อมุ่งที่จะแก้ให้เช่นว่าครูทดสอบนักเรียนเนี่ยเราถามพอนักเรียนตอบไม่ได้เราก็อธิบายให้ไม่จะถามให้เขาจนหรือถามให้เขาเสียหน้าแต่ประกันใด ลักษณะปัญหาที่ท่านสัจจานิครนเข้ามาถามนั้นต้องการคือคือคือแกแกมองพระพุทธเจ้าในแง่ที่แย่มากเลยแกบอกพระพุทธเจ้ามิฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไปโฆษณาก็ะคุมอยู่ในกรุงไผ่สาลีมาตั้งนานเพราะนั้นเข้ามาถึงก็มุ่งที่จะประจานเลมุ่งที่จะประจานพระพุทธเจ้าสมมุติพระพุทธเจ้าแพ้นะแกก็ได้ท่าแหละได้ทีก็กี่แพ้ไล่แต่ว่า ก็มันก็มือคนละชั้นนะฮะในสุดเมื่อพระพุทธเจ้าใช้อย่างนี้ก็เรียกว่าเอาผลไม้ของแกนั่นเองป่าผลไม้อ้าคุณว่ามีตัวมีตนพุทธเจ้าใช้อนัตตาแนวเดียวนะฮะนั ต, ตาแนวเดียวนัตตาที่ว่าบังคับไม่ได้จะไม่ทรงแสดงเต็มชุดอนัตตาเองจะทรงไม่แสดงเต็มชุดจะแสดงในแนวอนัตอันนี้แสดงแนวเดียวกันนัตตลักนาสุที่เคยพูดมาแล้วคือแสดงในประเด็นที่ว่าเราบังคับบัญชาได้ไหม ถ้าบังคั บ, บัญชาไม่ได้ก็แสดงไม่ใ ช, ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราถ้าเป็นเราเราต้องบังคับบัญชาได้แต่หน้าตาบางทีก็จะแสดงในประเด็นที่ว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้หรือไม่เช่นว่าแม้ร่างกายของตนก็ไม่เป็นของตนทรัพย์บุตรพัญญาสามีจะเป็นของตนได้อย่างไงจะป่วกล่าวไปยายตังทรัพย์บุตรปัญญาสามีนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นของเราจริงๆคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นจริงๆในแง่ของความจริงนะฮะ ในนยงนี้ขความจริงชั้นสูงสุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอม า, อาสอบสอบถามมาโดยลําดับท่านเห็นว่ามันก็เสียท่าตั้งแต่อุปมารแรกแล้วอุปมาที่เป็นรูปธรรมยกพระเจ้าประเส้นที่ควรสนกับพระเจ้าชาติตูซึ่งสามารถทําอะไรใครก็ได้เนี่ยเมื่อเมื่อเขาสามารถทําได้ก็แสดงว่าไม่ใช่เราแล้วก็เราไม่ได้เป็นใหญ่จริงๆเพราะมีคนอื่นเป็นใหญ่สามารถแต่จะทําลายเราได้นี่ก็เอารูปธรรมเข้ามาช่วยพอถึงพอถึงตัวรูปเวทนาจัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณยิ่งดูง่ายใหญ่ ถามประเด็นเดียวสามารถบังค <laughs> so <sava> ับไปเป็นไปตามที่เราต้องการได้ไหมจะบังคับผมไม่งอกได้ไหมบังคับฟันไม่หักได้ไหมมันก็ไม่ได้ทั้งหมดจะจับทีลชิ้นมาถามแกก็ตอบไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้ามบคนระดับสัจจะนีคนพระพุทธเจ้าไม่เอามาทีลชิ้นเอามาทีละขันเลยถามกันทีละขันเลยแล้วเอาประเด็นเดียวบังคับว่าขอสิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสมุดบจวลีนะขอได้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้ไหม แกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตลอดคือขวัญแกเสียตั้งแต่ต้นนะขวัญแกเสียตั้งแต่อุปบาศคราวแรกแล้วเพราะงั้นพอเจอข้าวก็สับสนหมดเลยความคิดพระพุทธเจ้าต้องสอนนะหยุดคิดด้วยนะคิดใหม่คิดดีนะคำต้นกับคำหลังไม่ลงกันนะคำคำต้นคุณว่าอ่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นของเราเป็นตัวเป็นต น, ตนตของเราแต่พอตอบเข้ามันไม่มีอะไรเป็นของเราอะเราบังคับไม่ได้ แเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นจนในที่สุดไอทุมมุขะนั้นท่านคงจะมันไส้นะฮะท่านคงจะมันไส้เฉยๆทัางขอขอโอกาสนี่ก็เป็นการแสดงถึงมัน ญ, ญาติอย่างหนึ่งของออที่เป็นจารีตที่ดีนะฮะจารีตเหล่านี้เราเรามองดูว่าในสังคมพุทธเรานั้นเป็นจารีตพุทธจารีตพุทธที่ เวลาพระโสนาพระอุตรราท่านนำศาสนามาก็ดีหรือว่าคำพีพระพุทธศาสนาก็ดีแท้แต่จริงก็ไม่ได้เอามาเฉพาะศาสนามันเอาจารีตเอาขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมผู้ดีอารยันโบราณเข้ามาด้วย h e n c วิธีของเราจึงเป็นวิธีที่ผสมผสานกันหลายอย่างไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาล้วนๆ น, นะฮะตั้งแต่ต้นมาแล้วก็ไม่ใช่ล้วนๆหรอก มีอะไรที่เป็นความดีความงามความเหมาะความควรของคนอื่นรร้พรุทธเจ้าก็ยกย่องการกระทำเช่นนั้นแล้วก็ยอมรับจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีในลักษณะนั้นว่าเป็นความถูกต้องดีงามเช่นว่านำเอาเอะไรติยะจริยาคือข้อประพฤติปฏิบัติของกษัตริย์ในราชวงศ์สักยะในการวางพระองค์เมื่อปรากฏต่ตอสาธารณชนในการเสวยปรกยาหารในการรับประกยาหารในอะไรนี้ฮะ ในการที่จะพูดจากับบุคคลอื่นคุณวางตัวยังไงเนี่ยพระเจ้าก็เอาข้าวมาเป็นรูปของวินัยเรียกว่าเสกขีวัดมีเ5ข้อโดยการแล้วต่อมาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็เอาออกไปจากวัดสร้างขึ้นใหม่ชื่อว่าสมบัติพูดดี่ที่จริงก็เอาไปจากหลักเหล่านี้ซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็เป็นการไหลของวัฒนธรรมนะเป็นการไหลโดยมีวิธีที่จะปรับให้ข้าวแนว ให้ข้าวแนวที่เหมาะสมกับฐานะของบุคคลไมายเฉ่าปล่อยให้ไหลท่วมทะลักอย่างในปัจจุบันวัดปัจจุบันเราเห็นว่าวันานธรมันไหลท่วมทะลักมาบางทีก็สําลักไปเลยกินน้ํากินท่าหายไปเลยแต่ว่าสมัยโบราณนั้นท่านจะปรับตลอดจะให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมแก่บุคคลอย่าเช่นว่าผู้ใหญ่กําลังพูดอยู่เราจะ พูดอะไรคือคือผู้ใหญ่สองคนนะทัานกำลังพูดอยูเวลาเนี้ยทุมมุ ข, ขะซึ่งถือว่าเป็นเด็กนะฮะฝ่ายหนึ่งก็เป็นอาจารย์ใหญ่ในาศาสนาเชนฝ่ายหนึ่งก็เป็นาศาสดาในาศาสนาพุทธตัวเองก็ถือว่าเป็นเป็นผู้น้อยต้องขอขามาเอ้ต้องต้องขอประธานโอกาสพระพุทธเจ้าก็ประธานโอกาสให้ก็ทําไมต้องขอประธานโอกาสพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าไม่จําเป็นจะต้องไปขอประธานโอกาสกับสัจจะนิครร นี่ก็เป็นจรีตอย่างหนึ่งที่ อ, อย่างเช่นว่าพระประชุมกันมากมากเนี่ยพระประชุมกันมากๆแล้วเราเราจะขึ้นเทศมีพระแก่กว่าเราเยอะเลยแต่เราจะไปกราบเฉพาะองค์แก่สุดเท่านั้นเองไม่ต้องไปกราบทุกองกราบทุกอง์า ต, อง ต, องตาลายหมดเลยจะกราบเฉพาะองค์เดียวเท่านั้นเองก็ดูองค์ไหนที่แก่ที่สุดเราจะไปกราบองค์นั้นเท่านั้นก็ถือว่าองค์อื่นนั้นได้ให้โอกาสแล้วเอ่อ แล้วจนถึงออกมาในรูปอย่างนี้บ้างเช่นสมมุติว่าเราเรานั่งอยู่นะฮะพระเราเนี่นั่งอยู่บางทีเราเราก็สับสนนียเช่นกบลังฟังพระสวดอภิธรรมอยู่อะไรในงานศพเนี่ยอพอคนมาเราลุกขึ้นไปต้อนรับเอนี้ถือว่าไม่เคารพธรรมะนะฮะเคารพธรรมะธรรมะสูงกว่าเวลานั้นไม่ว่าเทวดาไหนมาเลยเราต้องนั่งเฉยเลย นี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆเช่นว่าเวลาพระเทศอยู่เนี่ยสมเด็จประสังการาชเสด็จก็พระสงฆ์เท่านั้นเองแต่ธรรมะเวลานั้นคือพระธรรมสมเด็จปรสังกราชเองก็ต้องเคารพพระธรรมเพราะงั้นเราไม่ลุกขึ้นรับนี่ในในกรณีคนละเรื่องกันแล้วในกรณีที่เรื่องเรื่องเดียวกันเน่ยเช่นว่าเรานั่งอยู่กับผู้ใหญ่สมมติเรานั่งอยู่กับสมเด็จประสังกราชเนี่ยแล้วมีสมเด็จพระราชาคณะมากี่องค์เรานั่งเฉยเลย ลุกขึ้นตอนรับไม่ได้เพราะถ้าลุกขึ้นตอนรับถือว่าดูหมิ่นสังกรานนี่คือจารีตที่เราถือปฏิบัติเช่นเรานั่งอยู่ในสํานักของพระราชารัตตมณฑีเข้าเฝ้าเรารุกขึ้นตอนรับเนี่ตายเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่ก็คือแนวแนวที่เป็นจารีตที่เราเข้ามาใช้ประพฤติปฏิบัติกันในสังคมไทยเราธุมุขะท่านก็ปฏิบัติในแนวนั้นอุปมาท่านแรงนะฮะ อุปมาแรงก็นึกถึงเรื่องรามเกียรติ์ตอนไอ้องคดจับทศกัณฐ์ตีหลบไปเป็นปูเราเป็นปูอยู่ในสระเอามาลากเล่นน่ยมันก็แนวนั้น แ, แสดงว่าคือเรื่องเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเขาอยู่ก่อนนะเรื่องรามเกียรติ์มันเกิดก่อนพุทธกาลเป็นเรื่องนานมากเป็นสมัยที่อารยันเขาบุกมาในอินเดียแล้วก็ ต่อสู้กับไล่กับพวกมีลระขานนี้ทานตอนนี้ก็เล่าสืบต่อกันมาจนพวกมีลระขากลายเป็นยักษ์ไปครับแท้จริงแล้วก็เป็นการรบระหว่างอารยันตอนที่บุกค่ําไมอะไรแล้ช่องแคบไคเบอร์เข้ามาในอินเดียแล้วก็ลุกรานพวกมีลระขาไอลูกหลานชั้นหลังมาเล่าเป็นนิทานสัดุดีวีรกรรมของบรรพุษตัวเองก็กลายเป็นอวตารหายไปเลยพระรามที่จริงก็เป็นเรื่องประัติศา ธ, ธรรมดาธรรมดานะงั้นไอตัว ตัวอย่างนี้ก็มองแล้วเห็นภาพนะไอปูนี่มันมันที่กล้ามเนี่ยเขาจะหักปลายลิ้นปลายนั้นแล้วก็กดไวตรง น, นี้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าใส่กุญแจก็เรียกว่าใส่กุญแจมันก็อ้ากล้ามไม่ได้นะฮะอ้าก้ามไม่ได้แล้วจะลากจะทํายังไงก็ได้มันจะหนีบใครไม่ได้เลยเอ่อท่านสัจจะนิครนตอนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพนั้นแต่ว่าท่านก็ดีนะฮะพอพอ พอพ่ายแพ้ก็คือยอมพ่ายแพ้แล้วกเกิดศรัทธาเลื่อมใสพอสอบถามเรื่องความเป็นพระหานพระพุทธเจ้าตอกย้ําจุดเดิมอีกตอกย้ําจุดเดิมจุดที่แกคิดมาตั้งแต่ต้นพระพุทธเจ้ามิฉาทิฏฐนะิเอาจุดเดิมอีกว่าพระเห็นขันท่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปรืป่องไปเป็นธรรมดาดังกล่าวแล้วก็มีข้อที่น่าสังเกตตอนที่ท่านนิมนต์นะครนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสเสวยประกาหารซึ่งก็มี วินัยมีวินัยอยู่ข้อหนึ่งถ้าชาวบ้านนิมนต์พระออกชื่ออาหารนิมนต์ท่านไปฉันกว๋วยเตี๋ยวฉันกระดมจีดอย่างที่จึงรับไม่ได้นะรับไปได้นอกจากฤดูนี้ก่อนจะถึงกลางเดือนสี่เนี่ยยังรับได้อยู่เพราะได้อา น, นิสงส์กรินแต่ถ้าในพรรษานิมนต์ไปฉันกว๋วยเตี๋ยนี้ไม่รับนะรับไม่ได้เขาไม่ออกชื่อ ชาวบ้านจะไปออกชื่อโพชนะไม่ได้นอกจากเป็นเป็นญาติเป็นปรานานะฮะเป็นญาติเป็นปรานาก็ได้แต่ถ้าคนทั่วไปมานิมนต์นิมนต์หลวงพ่อไ้ฉันก๋วยเตีย๋วยวฉันไม่ได้ผิดวินัยแต่ก็เกิดมีข้อแม้ว่าถ้านักบวช ด, ด้วยกันนิมนต์นะฮะพัดนั้นเป็นของสมณะคือนักบวช ด, ด้วยกันนิมนต์ออกชื่อมาก็ได้กันเองในวงในนี่ก็มีลักษณะที่ประณีประนอมก็มีความอ่อนตัวในเชิงประพฤติปฏิบัติเพราะว่าบางที ท่านเหล่านั้นก็ถือว่ากันเองเพราะว่าสถาบันสงฆ์ของเรานั้นเป็นสถาบันที่แปลกคือคือไม่มีเราไม่ขอกับใครเป็นพระมาแล้วเชาว้าๆบางทีก็ไปเยี่ยมผูกนิครนปริภาชกอเจลกก็ไปด้วยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้กิจการคนนั้นคนนี้พอมาถึงโครงสร้างพุทธมันก็เหมือนเดิมจะเห็นว่าโครงสร้างพุทธนี่เหมือนเดิมคือเราไม่รังเกียจ ร, รังงอนใครสุ้เราเราก็เข้าโบวเราก็ไปนะสารเจ้าเราก็ไป ไม่เหม็นในว่าได้ใครคือคือมีลักษณะประณีประนอมจะยอมรับความดีของคนอื่นในแต่ละจุดก็ถือว่าเขาดีแล้วก็ไม่กีดการเบียดเบียนใครนี่คือคือองค์ประกอบของพุทธมันมาตั้งแต่ต้นพระเองก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ไปเยี่ยมเยียนเขาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในบางประสูตรทีนี้มาถึงที่ตอนตอนถวายอาหาร ถวายอาหารท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแปลกนะครเพราะมันมีทายกสอ ง, สองชั้นแทนที่จะมีชั้นเดียวนี่ทายกก็มีสองชั้นทายกกลุ่มหนึ่งคือพวกลิจวีนั้นเอาของของตัวเองนั้นมาถวายสัจจะนิครนันสัจจะนิครันก็เอาของของตัวเองที่เขาถวายนะครเขาถวายเพื่อท่านก็มาถวายพระพุทธเจ้าอีกทีนึงเวลาพระพุทธเจ้าทรงอนมุมทธนาจึงใช้คําแปลกนะคร บอกว่าทานที่ทายกถวายแก่ผู้มีราคะโทสะโมหะเช่นท่านนั้นย่อมถึงแก่ทายกทั้งหลายเพราะทายกก็ไม่ได้ถวายพระพุทธเจ้าก็ถวายสัจจะนิครนสัจจะนิครนไปขอร้องอเป็นเจ้าภาพไปเชิญชวนเข้ามาเมื่อก็ถวายสัจจะนิครนทายกเหล่านั้นก็ได้ผลในชั้นที่ถวายแก่ผู้ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะคือสัจจะนิครนแต่สัต สัจจนิคนพอรับมาแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้เองก็เอามาถวายพระพุทธเจ้า ก, กับพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นพระสารลนล้วนไปกันเนี่ยก็มีผลมีอนิสงฆ์มากกว่าเพราะไปถวายที่ทักกินัยบุคคลซึ่งไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะผลอนิสงฆ์ก็ได้แก่ท่านสัจจะนิคนนี้ทรงจำแนกแสดงว่ามันเป็นคนละเหตุคนและผลกันเพราะสัจจะนิคนขอพรนะครับ ก็อพอรว่าขอให้ผลแห่งการถวายทานนี้จงถึงแก่ทายกทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งจำแนกแสดงว่าที่ถึงนั้นถึงใีตอนทายกถวายเธอนะแต่ตอนที่เธอถวายตถาคตกับพระสงฆ์ีมันก็ได้แก่แกเธอเท่านั้นเองถ้าทายกจะได้มันได้ตรงไหนได้จนอนุโมทนาพรอยชื่นชมยินดีพรอยอโมทนาในการที่สัจจนิคนเอาของของตนมาถวาย พระพุทธเจ้าจะอีกทีหนึ่งเราก็อนโมทนาเราก็ได้รับส่วนบุญสองชั้นคือทานที่ถวายแกผ่ผู้ยังมีราคาโทสะโมหะอยู่แล้วก็อนโมทนาในกุศลกรรมที่คนอื่นกระทาต่อผู้ที่ปราศจากราคาโทสะโมหะจึงก็นานๆจะรับสั่งในแนวนี้ให้ดูทีหนึ่งฮนะทรงแยกไว้สองขั้นตอน จากพระธรรมเทศนาในสูตรนี้คือจุลสัจกสูตรเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิหลังในทางประวัติศาสตร์เพราะจริงพวกนี้ครนเขาก็น่าจะโกรธพระพุทธเจ้าอยู่หรอกพูดอย่างง่ของคนมีกิเลสนะฮะคือพระพุทธเจ้าสเสด็จกรุงพารานาสีในคราวแรกที่ไปโปรดท่านปัญญวคีนะฮะแตาเราไปคนพระพงษาวดารอินเดียแล้วเนี่ยมันตีประการเขาเลยนะ ตีประการของเจนเลยแล้วเอาคนระดับยอดยอดมาตั้ง60คน55้าคนหกสิทั้งปัญญบักกีแต่ว่าปัญญบักกีนะั้นเป็นชาวกรุงกบิลลพัทนะฮะแต่ไอาย้าส้าคนนั้นนะะเป็นคนในเมืองสาวัตถีในเมืองพาราณสีซึ่งเคยนัถือศาสนาเจนมาก่อนเจนก็เกิดก่อนพระเจ้าอยู่หปีเกิดก่อนหปีก็ก็แพร่แรงมากเพราะเป็นศาสด า, าองค์เดียวก่อนรู้ปเจ้าที่เป็นกษัตริย์นะเป็นขัตยักกุมาร ตอนนั้นก็เป็นพวกวันณะแพทย์ไม่ค่อยเจอวันณัพราหมวันนพราหม์ก็มีพวกท่านพราหมณ์ภาวารีพวกท่านอาคีตัดพวกนี้ฮะแต่ก็ไม่ใช่อยู่ระดับครูทั้งหเป็นเป็นพวกฤาษีเป็นพวกนักบวชที่บวชในสำนักของท่านเหล่านั้นเพราะงั้นาการกระทําของพระพุทธเจ้าด้วยความมนุเคราะห์โลกเนี่ยคือเราทําดียังไงก็ตามแต่ว่าคนบางคนเขา อ, อาจจะมองเราเป็นจตุว์ที่ไป เบียดเบียนไปทำลายล้างผลประโยชน์ของเขาก็ก็ผูกใจเจ็บเอาได้แต่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นจะไม่คำนึงว่าพูดไปแล้วบางทีคนเ้าไม่ชอบแต่ถ้ามันได้ประโยชน์จากธรรมะคนฟังได้ประโยชน์แล้วก็พร้อมที่จะแสดงอย่างอย่างในกรณีที่แสดงธรรมะแกมาคันธิยะพราหมณ์กับมาคันตยาพรามณีสองสามีพัญาจนบรรลุ อนาคามีทั้งคู่แล้ออกบวชทั้งคู่นั้นพระธรรมเทศนากันนั้นน่ยในขณะคนสองคนบนรรลุอนาคามีคนหนึ่งผูกพยาบาทพระพุทธเจ้านางมาคันตยาลูกสาวผูกพยาบาทพระพุทธเจ้าจนไปจองล่างจองผรานจ้างคนด่าที่เมืองโกสมัมพีพระเจ้ารู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่หมายความว่าสองคนนี้จะต้องเทศแนวนี้จึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจและบรรลุมรคนพระเจ้าจะมุ่งช่วยคนมุ่งช่วยคนเหล่านั้น เป็นประการสําคัญดังนั้นเมื่อใครมีวาสนาบา ร, รมีมาถึงข้าวเนี่ยฮะก็เสด็จไปโปรดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ก็ตามสูตรนะฮะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแต่ท่านนิครณนาตาบุตรท่านไม่มองอย่างนั้นนะฮะท่านก็มองในฐานะพระพุทธเจ้าเป็นคนทําลายผลประโยชน์ท่านอ่ะทำให้ ก็เรียกพังทลายเลยนะครก็กรุงไพราลีซึ่งเป็นเมืองของท่านเองอย่างเคยเล่าฟังในรัตนสูตรเกิดทุพกภัยนี่ครับไม่มีใครนึกถึงท่านนิคโครนาถบุตรนึกถึงพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าไปช่วยบรรเทาทุพิกภไยในเมืองไพราลีแสดงว่าเมืองไพราลีตอนนั้นก็ราบเรียบไปแล้วคนก็มานับถือพระพุทธเจ้ากันหมดก็ทําให้ท่านท่านท่านนิครนาถบุตรไอ่เก็บกดความไม่พอใจไว้านานไประเบิดเปี้ยงป้างไอตอนปลายพุทธสมัยและตัวเองก็กระอักเป็นโลหิต อยู่ไม่กี่วันก็ตายที่เมืองปะวานี่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะมองในแง่ประวัติศาสตร์ก็เป็นการต่อสู้เอ่อโดยคนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยกรุณาแต่คนหนึ่งเกิดขึ้นด้วยความริษยามันก็มีการหักหานกันพระพุทธเจ้าทํางานด้วยความการุณาแล้วก็เมื่อไปกระทบกลุ่มคนอะไรเขาที่จริงเขาก็ได้ดีนะฮะบรรลุอรหัตอริยมรรยผลไปแต่ตานนีโครนก็ขาด ผลประโยชน์ทั้งก็เกิดริษยาและเขเบียดเบียนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนี้เราช่วยไม่ได้หน้าที่การกระทําความดีจึงเป็นเรื่องของคนผู้ฝ่ายดีทั้งหลายแต่คนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้จะให้คนชอบทุกคนเลยไม่ต้องทําะงั้นวิธีที่ที่ดีที่สุดว่าอะไรเป็นความดีเราก็ทำเท่านั้นจนคนจะชอบหรือไม่ชอบนั้นกเอาเป็นประมาณไม่ได้พระพุทธศาสนาจึงตัดยอดมาเอาเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นเองการกระทําอะไรก็ตามที่วินโยชนยกย่องสรรเสริญก็กระทําสิ่งเหล่านั้น วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วคันสวัสดี